คนฉลาดหาทรัพย์ภายนอกก็ไม่ขัดข้องหาได้อย่างสะดวกสบายแต่ถ้าเป็นคนโง่แล้วลำบากมากจะเห็นได้ในที่ทั่วๆไปเช่นคนทุกตนมีจานวนมากคนมั่งมีมีจำนวนน้อยนี่ก็พอสังเกตให้เห็นแล้วว่าคนโง่มีจำนวนมากคนฉลาดมีจะนวนน้อย เพราะเหตุ น, นั้นคนที่ทุกๆนตนดึงมีจานวนมากกว่าคนัางข้างสมบูรณ์การแสวงหาทรัพย์ภายในคือคุณงามความดีก็เช่นเดียวกันยอมคืนอยู่กับความฉลาดเป็นสิ่งสำคัญกว่าอื่นถ้าเป็นคนโง่แล้วแม้จะเข้าไปนั่งติดคิดกับชายสบงจีวรของพระพุทธเจ้าและสาวกก็าตาม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 แม้จะไปผู้ไม่ฉล า, าดแม้จะไปแสวงหาบุญกุศลบําเพ็ญคุณงามความดีกับเพื่อนเขาผลที่จะพึงได้รับก็ขึ้นอยู่กับความโง่ความฉล า, าดของตนความฉล า, าดมีน้อยบุญกุศลที่จะพึงได้รับก็มีน้อยเฉพาะนักบวชของเรา บวดมาในพระพุทธศาสนามุ่งหน้าจะบําเพ็ญตนให้พ้นจากทุกข์เหมือนคนผู้มุ่งความเป็นเศรษฐีโดยถ่ายเดียวอัหนึ่งเจตนาของคนในโลกมีอยู่สามประการคือคนบางจำพวกเกิดขึ้นมาในท้ำกลางแห่งความยากจนคนแค้นเพราะพ่อแม่เป็นคนโง่ และขัดสนจนทรัพย์สมบัติเงินทองไม่มีจับจ่ายเป็นอยู่ด้วยการขอทานเข้ามารับทานตื่นเช้าเที่ยวขอทานตามตรอกตามซอกมุมถนนและตามหน้าร้านต่างๆมารับทานพอปากพอท้องบ้างไม่พอบ้างลูกก็รวมมาสายกรรมอันเดียวกัน เพราะวัสนาขนาดนั้นก็ต้องมาเกิดกับพ่อแม่ผู้อาภัพวัสนาเช่นนั้นลูกจึงไม่มีแก่ใจที่จะคิดถึงความมั่งมีคิดถึงความเป็นเศรษฐีเหมือนอย่างโลกเขาผู้มั่งมีเพาพ่อแม่ที่เป็นแดนเกิดเป็นตัวพิมพ์ให้ลูกๆเห็นอยู่แล้วลูกเกิดมาก็เป็นคนโง่และเจียดคร้านเหมือนพ่อแม่ อยู่กับพ่อแม่กอดทุกตนและพาขอทานเขากินวันหนึ่งอิมงมอ่มบ้างไม่อิ่มบ้างขนาดนี้ค่อยยังดีอยู่บ้างแต่ถูกพ่อแม่บางคนทุกตนแล้วยังไม่พอยังเที่ยวหาฉกรักล้นขี้เอาของเขามากินสิ่ของหรืออาหารทุกชิ้นที่ได้มาเลี้ยงลูก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 ไม่ต้องคิดหาการหางานและความรู้วิชาตามใบที่จะกวรศึกษาหาความรู้ความเฉลาดยเ่ตัวพ่อพ่อแม่สั่งสอนไว้เรียบร้อยแล้วคือการถกรลกนตนจีสะบัดยักจอกพ่อโกงปีชิงนิ่งราวและความที่เกียดที่ร้านสันดานไม่เป็นที่ไว้วางใจเรียนวิชาเข้าสอบแข่งขันเพื่อเข้าทางานกรมกองทันทนิคมที่เขาพกันว่า เป็นวิชาและงานที่ําซึ่งคนใเมืองดีพวกๆไปไม่ทํากันทั้งนี้เพราะพ่อแม่ตั้งตัวเป็นกระดานดำอันเต็มไปด้วยตัวหนังสือคือความประพฤติและมรารยาททุกๆอาการที่เคลื่อนไหวอยู่แล้วลูกๆทุกคนเกิดมาได้รับการศึกษาหัดทำหัดพูดหัดคิดทุกอาการเป็นการศึกษาจากพ่อแม่เสียจนเพียงพอ เพราะตัวหนังสือและหลักวิชาทุกๆแขนงมีอยู่ในกระดานดำคือพ่อแม่พราะมูลแล้วตัวขี้เกียจขี้ค้านตัวคดโปง่งตัวขี้ช่อโกหกตัวฉกลักต้นกีชื่อว่าความทุจริตทุกๆแขนงมีอยู่ในตัวหนังสือคือหนังสือที่เขียนอยู่บนกระดานดำคือพ่อแม่ทั้งนั้น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 เมือร้อนทุกหย่อมยากมีจุดสำคัญคือจุดไปไม่บ้านไม่เมืองแบบดับไม่ไหวความกลายเป็นคนเสียหายอย่างใหญ่หลวงทั้งนี้เพราะพ่อแม่เป็นแดนเกิดก็มีเพราะเกิดจากนิสัยของเดีกแสเองก็มีเพราะการคบคนชั่วสันดานชอบทุจริตก็มีคนประเภทมึงคิดไปในแถวนี้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 เสมอบ้านเมืองและพลน่เ ม, มืองดีทั่ว่วไปเมื่อลูกเกิดขึ้นมาก็ถือพ่อแม่เป็นบทเรียนยึดพ่อแม่ผู้เป็นกระดานและตัวหนังสือศึกษาความประพฤติการงานตลอดมารยาททุกอย่างรับถ่ายทอดวิชาจากพ่อแม่ไปใช้โรกลรยเป็นพลนุมเมืองดีมีสมบัติพอจับใจใช้สอยไม่ขัดรืองเขามีอะไรก็พอมีกับเขา ไม่ทำความอับอายขายหน้าพ่อแม่ญาติบุและตัวเองจะคบค้าสมาคมกับใครๆก็ก็ทำด้วยความองอาจและสง่าผ่าเผยไม่เป็นคนอับแสงต่อวงญยาตและสังคมทั่ทวไปเป็นคนทำตัวให้เป็นไปในแถแห่งความคิดท้องตนจนกลายเป็นคนเมืงดีและมีสมบัติใช้ไม่อดอยากขาดแครน คนประเภทที่สองคิดไปในแถวนี้คนประเภทที่สามมีความรู้สึกแปลกจากสองจำพวกที่กล่าวมาโดยคิดว่าอย่างไรก็จะให้มีสมบัติต่างๆเนื้อโลกเขาทั้งสิ้นและก็เริ่มสมหวังแต่ต้นทางเพราะโอกาสวาสนาอํานวนให้เขาได้เกิดในตระกูลมั่งคั่งสมมบุญเพื่อซับสมบัตินัสิทธธรรม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 เป็นกิจที่ลูกจะศึกษาและรับถ่ายทอดได้จากพ่อแม่ทั้งนั้นฉะนั้นพ่อแม่ของเด็กจึงไม่ควรประมาทในความประพฤติดีชั่วว่าเด็กจะไม่สามารถศึกษาและรับถ่ายทอดจากคนได้แล้วทำไปตามความชอบใจเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะการทำดีต่อชาติและการทำชั่วต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์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 วิ่งเตนควันขวายหาการหางานทพ่ทรัพย์สมบัติหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่เพื่อความขยันหมั่นเพียรและความฉลาดรอบครอบในการงานทุกแขนงไม่นิ่งนอนใจคนประเภทนี้แม้จะไม่ได้เป็นเศรษฐีก็เรียกว่าเป็นคนสาคัญคนหนึ่งควรจะเป็นตัวอย่างของประเทศชาติบ้านเมืองตลอดประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดีนักบวชเราในคนประเภทที่หนึ่ง บวชมาพอเป็นชื่อเป็นนามกับเขาบวชพอเป็นพิธีบวชไม่ได้มุ่งต่อเหตุต่อผลอัตธรรมไม่ได้มุ่งต่อคุณงามความดีบวชเพียงเลี้ยงชีพอยู่เป็นสุขเพราะไม่ต้องขนขวายเหมือนอย่างคารวะบวชมาแล้วความขี้เกียดขี้ค้านก็มากการทะเละาะเบาะแว้งกับหมู่เพื่อนก็ลือนาะมแทนที่จะเป็นบุญกุศล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 และมีความฉลาดพอประมาณการประพฤติปฏิบัติพระธ ร, รมวินัยก็ดีไม่เป็นที่รังเกียแจแก่หมู่เพื่อนด้วยกันมีความสนใจในการศึกษารเรียนและด้านปฏิบัติในใจสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาด้วยความเพียนเป็นผู้บอกนอนสอนง่ายและเชื่อถือในหลักพระธรรมวินยัยประกอบอีการงานด้วยความสนใจและหลักเหตุผล นักบวชประเภทที่สามบวชด้วย อ, อำนาจความเชื่อความโน้มสายจริงๆแม้เบื้องต้นจะยังไม่ได้รับการศึกษารเรียนจากครูอาจารย์พอต้องควรก็ตามแต่พอบวชเข้ามาแล้วได้รับการศึกษาอบรมได้ยินได้ฟังจากครูอาจารย์หรือจากตำหนักตำลาที่ท่านว่าว่ายอย่างไรพออ่านดูตามตำลาที่แสดงไว้ด้วยเหตุผลต่างๆเกี่ยวกับการงานดีชั่วคนดีคนชั่ว ผู้ทำตัวอย่างไรจึงเป็นไปในทางชั่วผู้บำเพ็ญตัวอย่างไรจึงเป็นไปในทางดีเพียงเท่านั้นก็รีบยึดมาเป็นคติสอนใจของตนทันทียิงได้ศึกษาจากอาจารย์ท่านสั่งสอนก็ยิงเกิดความเชื่อความล้้สายอย่างแรงกล้าขึ้นภายในใจมีความปรารถนาอย่างเต็มที่ที่จะทำตนให้พ้นจากทุกโดยถ่ายเดียว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 ไปเพื่อความบริสุทธิ์จริงๆและรักษาด้วยความระมัดระวังการทําใจของตนให้เป็นไปเพื่อความสงบพด็ดีการจะทําปัญญาให้เกิดก็ดีไม่มีความนอนใจทั้งสติทั้งปัญญาที่เป็นภาคพื้นเดิมที่มีอยู่ตามนิสัยของปุถุชนตั้งใจพยายามอบรมสติอบรมปัญญาที่เป็นภาคพื้นนี้ให้มีความสามารถขึ้นเป็นลาดับ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 ทางนี้ไปจากเรื่องของเราที่ไม่ระวังสังรวมตนทั้งนั้นไม่ด้นอกไปจากเรื่องไม่สังรวมนี้เลยถ้าเรามุ่งพ้นจากทุกในชาตินี้จงเห็นภายในความผิดและความประมาทความพลั้งเขอสติว่าเป็นฆ่าศึกต่อตอนเองถ้าเรายังเห็นกระแสของใจที่หมุนไปตามเรื่องอันจะก่อให้เกิดตันหาอาสวะที่เรียกว่าสมูทไทแดนเกิดแห่งทุกว่าเป็นของดีด้วยแล้ว อย่างไรก็ต้องจมเอาตัวไปไม่รอดจงนี่ปดเครื่องสิ่งเหล่านั้นทันทีอย่าปล่อยให้นอนหมักหมมอยู่ในหัวใจของเรามีผูเห็นภัยต้องเห็นการสังสมกิเลสขึ้นในตนว่าเป็นตัวภัยพอวัดปฏิบัติทุกอย่างเป็นเหมือนรั้วบ้านและกระดานฝาเรือนซึ่งเป็นเครื่องรักษาภัยให้เราเป็นชั้น การทำจิตวัตรที่เรียกว่าเป็นความเพียรต้องมีสติประจำอยู่กับจิตวัตรนั้นๆอย่าให้เผลอเลยบำรุงสติบำรุงปัญญาให้รอบคอบต่อตอนเองเสมออย่าปล่อยไปตามกระแสะของความตลักดันซึ่งเคยเป็นนิสัยของใจเรื่องจิตแล้วอย่างไรจันเหนือจากความพยายามและการบังคับของเราไปไม่ได้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 ท่านเคยเล่าให้ฟังถึงการพยายามฝึกหัดสติท่านชอบอยู่องค์เดียวถ้ามีหมู่เพื่อนอยู่ด้วยรู้สึกขัดข้องไม่สะดวกจากการบําเพ็ญธรรมถ้าได้ปลีกตัวออกไปอยู่คนเดียวแล้วปรากฏว่าสติกับปัญญากลมเคลียวกับความเพียรตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเป็นไปกับความเพียรอันหนึ่งมือกับงานไม่ปราศจากกัน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 อยู่ที่ไหนคให้เป็นไปกับด้วยความเพียรเท่านั้นไม่ประสงค์สิ่งใดซึ่งจะเป็นการเนื่อนช้าต่อทางพ้นทุกนีท่านเล่าให้ฟังตามโอกาสทั้งควรท่านไปอยู่ที่ไหนได้รับความรู้ความฉลาดมากน้อยท่านไม่เคยปิดบังผมเลยอยู่ที่นั่นเป็นอย่างนั้นอยู่ที่นี่ปิดเป็นอย่างนี้แม้ที่สุดเวลาปิดของท่านจะถึงแดนแห่งความสมหวังอย่างจุใจท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านดู ใต่ร่มไม้ซึ่งอยู่โดดเดียวเพียงต้นเดียวเหมือนพระพุทธเจ้าขณะตรัสรู้ใต้ร่มโพต้นเดียวปรากฏขึ้นในขณะนั้นตอนกลางคืนยามดึกสงับมีตามที่ ท, ทราบจากท่านมาเรื่องวิถีจิตของแต่ละท่านย่อมเป็นขึ้นจากจำเพาะตนเอง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 เรื่องนิสัยวาสนาใครจะมีมากมีน้อยกว้างแคบย่อมขึ้นอยู่กับตนเองโดยเฉพาะจะไปหยิบยืมกันมาใช้ไม่ได้อาศัยวาสนาของตนเกิดขึ้นจากตนเองพข้อหต้นั้นกิริยามา ร, รยาทอัิยาศัยตลอดคําพูดจาประสัยความรู้ความฉลาดลึกตื้นจึงมีความแตกต่างกันตามนิสัยวาสนาแม้เราจะศึกษาอยู่กับ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 มาทราบเมื่อภายหลัง้ะ ถ, ถูกหรือผิดก็ขออาภัยจากบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยเพราะท่านเจราดมากสมกับเป็นอาจารย์สอนลูกจิตเป็นจำนวนมากเหตที่ท่านไม่ยอมเปิดจุดสำคัญสำคั ญ, คญมีอยู่สองประการคือผู้มุ่งต่ออาจต่อธรรมจริงๆจะนำเอาธรรมะ ข, ของท่านไปเป็นโลกบางหน้าโดยแอบอ้างมากเป็นของตนแล้วประกาศโฆษณาขายกิน ผู้มีความมุ่งหวังในธรรมอย่างแรงกล้าเมื่อพิจณาไปถึงจุดนั้นแล้วทมเป็นหลักธรรมชาติที่ท่านรู้นละแสดงออกมาไม่ใช่ทมที่จะคาดหมายเอาโดยลำพังพอได้ฟังจากท่านแสดงในจุดสำคัญนั้นแล้วไปหมายหรือมีความสาคัญอย่างละเอียดแทรกขึ้นมาในขณาดนั้นแล้วเข้าใจว่าตนรู้ในภูมิธรรมนั้นไปเสียเลยกลายเป็นสมุทยัย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 เจตนาหวังดีในหมู่เพื่อนท่านอาจารย์มั่นท่านฉลาดทั้งภายนอกภายนภายนอกท่านก็ไม่ยอมเปิดเผยเอาง่ายๆฟังจากท่านแล้วต้องไปตีความหมายเอาเองถึงสองสาวันก็มีผมเองเคยคิดอย่างนั้นสําหรับหมู่คณะจะคิดหรือไม่ผมไม่มีโอกาสทราบได้เฉพาะผมแล้วใจ ต, ตรองคาพูดของท่านซึ่งตนถือว่าเป็นอุบายอย่างเต็มกําลัง บางครั้งตีปัญหาในคําพูดของท่านถึงสามวันยังไม่รู้เรื่องเลยจําเป็นต้องเข้าไปกราบเยียนถามท่านว่าเท่าที่ท่านอาจารย์พูดอย่างนั้นอย่างนั้นกระผมเองนําไปพิจารณาถึงสามวันยังไม่เข้าใจครับคําหมายไม่ทราบเงื่อนต้นเงื่อนปลายแห่งคําพูดของท่านอาจารย์ที่ควรถือเอาอยู่ที่ไหนและมีความหมายเพียงแค่ไหนในคําพูดนั้นๆ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 คนให้โง่ยิ่งขึ้นเพราะสิ่งใดที่สาเร็จรูปมาแล้วจากผู้อื่นโดยตนเองไม่ได้ประดิษฐ์คิดทำขึ้นด้วยความฉลาดของตนถึงคราวจาเป็นขึ้นมาอาศัยสิ่งสาเร็จรูปจากคนอื่นไม่ได้เราไม่มีวิธีช่วยตัวเองก็หมดหนทางโดยไม่ต้องสงสยัยถ้านอาจารย์มั่นคงคิดทำนองนี้จึงไม่ยอมแก้ปัญหาข้อห้องใจ ในเวลาไปรเรียนถามท่านการศรึกษาจากท่านไม่เพียงจะศึกษาข้าออัดข้อธรรมโดยไทยเดียวยังต้องพยายามทําตนให้เชื่องชินต่อข้อวัดปฏิบัติคือทางดาเนินที่ท่านผ่าดาเนินจนเป็นที่เชื่องชินติดจิตติ ด, ต ด, ต ด, ตดใจกายวาจาของเราการอยู่กับท่านเป็นเวลานานเป็นทางกงกงตรี น, นิสัยและข้อวัดปฏิบัติตลอดคุณงามความดีความรู้ความเห็น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 ผลปรากฏจากข้อห้องใจซึ่งไม่ยอมแก้ไขจากครูคอาจารย์อย่างน้อยก็เป็นคนเผอเลอห ล, อลงห ล, ลงลุมดื่มกลายเป็นค น, คนบ่อๆไปบ้างอย่างมากถึงเป็นบ้าไปเลยที่โลกให้นามว่าทำแต่โดยมากเกิดจากปัญหาข้อห้องใจซึ่งตนไม่รู้วิธีแก้ไขและไม่ยอมแก้ไขปล่อยไว้นานๆไปก็ปรากฏผลสองอย่างขึ้นมา ปัญหาดังกล่าวนี้ผมเคยเป็นในจิตใจของผมเหมือนกันวันท่าอาจารย์มั่นมรณภาพผลได้เกิดความสลดสังเวชอย่างเต็มที่จากความรู้สึกว่าเราหมดที่พึ่งทางใจแล้วเพราะเวลานั้นใจของผมยังมีอะไรอะไรอยู่และเป็นความรู้ที่ไม่ยอมจะเชื่ออุบายของใครอย่างง่ายๆด้วยเมื่อไม่ที่ ถูกจุดสำคัญที่เรากำลังปิดและพิจารณาอยู่อย่างท่านอาจารย์มั่นเคยขี้ได้รับผลจากท่านมาแล้วทั้งเป็นเวลาเริ่นความเพียรอย่างเต็มที่ด้วยฉะนั้นเมื่อท่านอาจารย์มั่นมาแนับภาพแล้วจึงอยู่กับหมู่คณะไม่ติดคิดแต่จะอยู่คนเดียวเท่านั้นจึงพยายามหาอยู่โดยลาพังตนเองและตัดสินใจว่าจะอยู่คนเดียว จนกว่าปัญหาหัวใจทุกชนิดจะสิ้นสุดลงจากใจโดยที่เชิงจึงจะยอมรับและอยู่กับหมู่เพื่อนเมื่อการมรณภาพของท่านอาจารย์มั่นผ่านไปแล้วไม่นานผมเข้าไปกราบเท้าท่านแล้วนั่งรำพันรำพึงรำพันปรงความสลดสังเวช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 และลูกๆผู้เป็นที่รักของพ่อแม่อยู่ด้วยกันก็คงจะมีข้อข้องใจกันอยู่บ้างในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจไม่ลงรอยกันก็ได้ในบางสมัยแต่ท่าอาจารย์มั่นกับเราที่มาพึ่งร่มเงาของท่านเป็นเวลานานถึงแบงนี้ไม่เคยมีเรื่องใดๆเกิดขึ้นยิ่งอยู่นานก็ยิ่งเป็นที่เคารพรักและเลื่อมใสาหาประมาณไม่ได้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 ตามหลักธรรมบทว่าเตสร้างบุปสโมสขโขท่านตายในชาติที่นอนสงบให้จิตทั้งหลายปรุงความสลดสังเวชอยู่ชั่วขณะเท่านั้นต่อไปท่านจะไม่มาเป็นบ่อแห่งน้ำตาเหมือนสมมุติพทั่วไปอีกแล้วเพราะจิตของท่านที่ขาดจากพพชาติเช่นเดียวกับหินที่หักขาดจากกัน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 ซึ่งจะให้เกิดความเสียหายถ้าเราไม่สามารถที่จรนาความรู้ประเภทนั้นได้ให้ย้อนจิตเข้ามาสู่ภายในเสียอย่างไรก็ไม่เสียหายท่านสอนอย่างนี้ก็จับเอาเงื่อนนั้นไว้แล้วนำไปปฏิบัติต่อตนเองเต็มความสามารถมีความจะเป็นผู้ใหญ่ย่อมเป็นมาจากผู้น้อยอย่างเราเราเห็นกันอยู่ี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 ทางทุกข์ก็มีบทธรรมพ้างไว้ว่าสุกขษาณันตารังทุกขังคนมีทุกข์เพราะยึดสุขเป็นทางเลยผู้มีความขยันหมั่นเพียรไม่ถือความลําบากเป็นอุปสรรคทุกหัดคิดค้นในสภาวัธรรมซึ่มีอยู่รอบตัวไม่อยู่ยัง้งคู้นั้นก็จะเป็นคนประเภทที่สามเรียกว่าประเภทที่จะไม่ขอเกิดในโลกอีกแล้วจะกลายเป็น ประเภทเดชสงบูปะสมุสขโขความระ ง, งับดับเชื้อแห่งความเกิดเป็นสังขารทุกๆประเภทเป็นความสุขปราศจากโลกาณิสิ่งก่อกวนและเป็นความสุขที่สมหวังโดยแท้จริงฉะนั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทุกท่านจงถนนักใจในคนทั้งสามประเภทนี้แล้วเลือกเฟ้นเราเองว่าคนประเภทไหน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 ฉะนั้นจงอย่าพากันทำความนอนใจในความหมุนเวียนคือความเกิดตายจงเป็นผู้มีความไม่ประมาทเสมอไม่ควรสงสัยในเรื่องความเกิดเพราะเกิดกับตายท่านก็บอกแล้วว่าเป็นกองทุกข์อยู่โดยตรงเร้อย่าสงสัยว่าจะเป็นดอกบัวอย่าสงสัยว่าจะเป็นข้าต้มขนมและอย่าสงสัยว่าจะเป็นอาหารหวานข้าวพอจะเป็นเครื่องรับทานให้อิ่มหนำสำราญแท้จริงก็คือยาพิษนั่นเอง เป็นสิง่งล่อลวงผู้โง่เขลาทั้งเราและท่านให้มาเกิดและตายทับผมกันอยู่ในโลกกองทุกข์อันนี้แต่ถ้าตายในความเป็นมนุษย์ก็ยังดีเพราะช่องที่จะให้เกิดเพื่ออํานาจแห่งกรรมที่ตนทําไว้เพราะความโงค่ความหลงนั้นนับจํานวนไม่น้อยจึงไม่มีโอกาสจะทราบว่ากรรมจะพาไปเกิดช่องไหนดังนั้นจงพากันเห็นภายในความเกิดตายตามๆต่างๆ ทั้งมนเนี่ยนอนด้วยว่าจะไปเกิดตายในกำหนดอะไรถ้าเป็นมนุษย์ที่เห็นและเป็นอยู่นี้ก็พอทำเรากลัวจะท่าย ไ, ไปเป็นสัตว์มีดิฉานให้เขาฆ่าเขาตีจนฟกช้ำดำเขียวหมดทั้งร่างนั่นมันสำคัญถ้าเหลือตายก็หายใจอยู่ด้วยความอกสันขวัญหายตัวตายก็ตายไปตัวยังมีชีวิตยอยู่ก็จิต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 รับทานยุ่ฉันเพื่อขันละอาการเคลื่อนไหวทุกอย่างเพื่อขันทั้งนั้นถ้าไม่เพื่อขันต้องแตกเพราะทุกบีบขั้นที่ ท, ทําทางนี้ก็เพื่อเยียวยากันไปเล็กๆน้อยๆเมื่อทนไม่ไหวก็แตกนี่คือภาราฮัเวปัญจขั้นฐานขันทั้งห้าเป็นภาระอันหนักแท้ท่อต้นไม้ใบหญ้าแผ่นดินหินเขา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 ทุกร้อนด้วยการยิ่งเจ้นข้นขวายถามาเพื่อขันและว่าขันเยี่ยมนาดมากทำให้โลกไหวไปตามกันทุกย่อมยากจนถึงวันขันแตกทำลายเรียกว่าพวกเราเป็นธาตุแห่งขันแต่วันเกิดจนวันตายเมื่อสรุปความเรื่องขันแล้วก็ลงเอ่ยกันที่ว่าบอ่อแห่งความกางังวลคือขัน บอ่อแห่งเรื่องทั้งหมดรวมอยู่ในขันเป็นบัญชาการให้เป็นไปตามนัดความต้องการของตนเมื่อเป็นเช่นนี้จะมีอะไรบ้างที่อาจารย์จากขันแม้ขันอื่นที่เราจะไปรับเป็นภาร ะ, ะในชาติหน้าจากกําเนิดเกิดขึ้นมามันก็เป็นขันอันเกิดตายอันเดียวกันจะเป็นนายเหนือทิศของเราให้เป็นทุกข์ไปกับเขาอีกฉะนั้นจงพากันพิจารณ า, าให้ชัดเจนด้วยปัญญา ชาติที่เราเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติขี่กลับกี่กันเราไม่ต้องไปคาดหมายหรือไป น, นับไปอ่านจงถือเอาชาติปัจจุบันที่เรารู้เห็นเห็นอยู่ น, นี้เองมาเป็นเครื่องที่สูจนทบทวนดูผู้ไม่ประมาทจะรู้ทั้งขันในอดีตทั้งขันในอนาคต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 กาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาผู้ใหญ่ขึ้นเคยให้ความดูแลเด็กก็หมดภาระไปเรื่องของสติปัญญาก็เช่นเดียวกันย่อมมีกำลังสามารถขึ้นเป็นลำดับจากการอบรมเสมอไม่ลดละหรือปล่อยไปตามยถากรรมนับวันเจริญขึ้นโดยถ่ายเดียวจนกลายเป็นมหาสติมหาปาัญญาถึงขั้นทำงานในหน้าที่ของตนโดยอัตโนมัติชื่อว่าสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกต่อใจแล้ว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 เจนนริ้นาบำเพ็ญตนด้วยความองอาจกล้าหารต่อใจทิกขาคือสีสมาธิปัญญาจุดหมายที่เราตั้งไว้ในคนประเภทที่สามจะกลายเป็นเรื่องของเราในวันหนึ่งข้างหน้าทํามนแเห็นทาที่แสดงมาก็เห็นว่าสมควรยีลาพยุติลงไม่วยวลาเพียงเท่านี้